คอยเลยล่ ะ, ะโยมหาคอยเลยล่ะอาจารย์สินพุทธรรม ะ, ะขอโอกาสเพื่อนสาว ท, วทรมิกจะรลยไหนทำยังคุณแม่ชีนธะรรม ท, รมทรมุกท่านก็ส่วนใหญ่ชอบพาธรรม พากันทำเราก็ชอบพูดในสิ่งที่ที่ทํามันเป็นอาการเกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบัน <c oughs> การสอบอารมณ์การพูดทำมาเนี่ยกับผู้ปฏิบัติก็ต้องศึกษาจากตัวเองจากอารมณ์ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันจะได้แก้กันปฏิบันทันด่วน ก็มนิยมจะจำคำพูดที่เราฟังแล้วก็เคลิบเคลิม่มสบายอกบสบายใจมันทำได้ตอนต้นๆสมัยก่อนนู่นมันมีสภาวะอะไรจะพูดมาจำมาพูดประยุบันนี้มันไม่อยากใช้ความคิดแบบนั้ น, นแสดงออกแบบเป็นปัจจุบันนี่แหละอารมณ์เราทำเราได้มาพูดกัน ฟังแล้วก็มันมีจริงๆอยู่ที่ตัวเรากันเมื่อกี้ได้นำมาสวดเรียกว่าโอวาทปาติโมกมาสวดนําเป็นหลักการของชาวพุทธและช่วทําดีชำระจิตพระเจ้าได้โพธกา ใครล่ะสาวกนะเหล่าพระรหันต่มากันบรรมาคะบูชามารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย1น5่นรยรูปไปๆทุกคนไปช่วยกันสอนทีองละช่วยทำดีชำระจิตหลักการนี้เลยช่วยไม่ทำดีทำไปใจบริสุทธิ์ หลายศาสนามีลาชั่วทำดีแต่การจำระจิตเหนือดีเหนือชั่วเหนือเกิดเหนือกาดเหนือจ็เหนือตายนมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าก็ผ่านมาตละมองกลับไปจริงตามมีจริงๆเมืองพาราณสีเมืองนั่นเมืองนี้เมืองนูน้นเทวตหา จะต้องมีหรอกทีนี้มันก็มีการทำบุญทำทายรักษาศีลวันจบพนังการแรกนากขันวันที่เจ้าชายศิษฐะนั่งตต่ต้นว่ารู้จักไหมต้นว่า ชื่อมชื่อว่าต้นว่าลูกดำๆำกีฬาปากดำๆลิ้นแดงแดงดำดำแดงแดงวราก็นั่งก็ได้สมาธิวันนั้ น, นเข้าสมาธิจิตดิ่งจนทั้งพ่อมาไว้ลูกเลยแดดร้อนบ่ายคอยแล้วตะวันไปทางทิศตะวันตก พระเช้าที่อ อ, อยู่ทางน้นกัมานั่งทางนี้แที่โดนตกตอนบ่ายก็ยังนั่งอยู่เลยอาการสํารวมเย็นพระเจ้าสุสานะกราบซะหนึ่งทีเป็นการกราบครั้งที่สองที่พ่อกลาบลูกตัวเองมีเรื่องของจิตของเราที่มันมีสมาธิอยู่เดีเราทาดีมาตลอด เทวทัตยิงธนูไปโดนนกบินตกลงมาจต ช, ชายศีรษาก็เมตตาอุ้มมาจนทะเลาะกันอย่างนี้นทีนี้มันเป็นเรื่องการทำดีเรียนวิชาจบ18สดศาตร ถราทำดีบางทีอยาจะได้เกียรตินิยมทุกปริญญาสนทอนววหารเรียกว่าภาษาศาสตร์สังขยาวิชาคณิตศาสตร์โลคะก็คือวิชาวิศกรรมมายาพิชายุทธสงครามก็คือการทหารเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นเนื้อยเ ย, ยาว ก็ยังไม่เห็นเกิดปัญญาบรรลุธรรมอันนี้เราก็เคยเรียนกันมาพุทธประวัตินะจนท้ายสุดกัเนี่ยตัดสู้เป็นปัญญาใบาสุดท้ายไม่ทุกข์อีกต่อไปงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จเจอแล้วทีสุดอย่างกองทุกก็จึงเจอวิชากรรมฐานรลอสติปัฏฐาน อันนี้ลชำชั่งะจิตวิชาชําระจิตบางทีทำดีมันก็ทุกได้ทำดีอย่างโตนวิ่งจากใต้สุดมาถึงเชียงรายสูงสุดสามเหลี่ยมทองคาทำดีไหมพันต่อล้านทำดีไหมทำดีมีคนอิจฉาไหมมีไหมวิ่งกับตาย มีคนยิ่ชาอีกเพราะฉะนั้นทำดีมันก็มีคนเพ่งเลงเด่นเป็นไพ่มีอยู่มันก็ต้องทำแต่ทำแล้วทุกข์ความเมื่อสีขาวหลงไปทำดีแล้วก็ต้องมีชื่อเสียงมีเงินมีทองขสัตย์ก็ต้อง เป็นจักรพรรดิว่าจะเป็นจักรพรรดิต้องล่าณานิคมเหมือนกับพระเจ้าโสหมหาราชคนตายนับแสนแสนคนเลือดแดงฉานคิดได้ตอนนั้นนะโอ้มันชีวิตแต่และชีวิตมันก็มีค่าลำค่ามาฟันกันลมตาย หายศูญยญาติพี่น้องก็สลดใจไทยศึกชมาจิตวางดาบเลยพยายามที่จะปฏิบัติธรรมกวันว่าโคตรนี้นะทั้งลูกเต้าเนี่เป็นพระหรหันต์กันทั้งหมดเลยโคตรของเจ้าโสกนะลูกหลานเนะี่ย หมายถึงว่าเออมันถึงเวลาที่จะต้องก้าวข้ามร่วงอีกขั้นหนึ่งของจิตมันก็จะมีการชำระจิตให้ขาวรอบนี่นละันนี้เวันของเราวันนี้สองพันปีวันนี้เป็นวันของเราวันนี้เราก็เรียนวิชากรรมฐานฝึกวิชากรรมฐาน ให้มันมีขันสูงยิ่งยิ่งเงินไปของจิตใจของกายของเราไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอารมณ์ปฏิบัติมีอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็ไม่ได้หลงเข้าไปชั่วเราไม่ได้ทําดีเราก็ทําแต่ว่าใจบริสุทธิ์ ดีสงสุดกันอ่ภาวนาอุดมการชาวพุทธมีความอดทนหรือเปล่าเห็นั้ยเมื่อกี้คลอแล้วอดทนเปล่าวันนี้อดทนไหทนแล้วทนได้หรือเปล่าทนแล้วทนได้ด้วยนะถึงจะเป็นตัวขันติเป็นตบะถ้าทนแล้วยังทนไม่ไหวก็ฝึกต่อไปยังมีเวลายอยู่ อีก3วันเต็มๆก็ฝึกตอบไปเรานการคิด ล, ล้ายบางล่าวรวมการชาวพุทธเราไม่คิดล้ายเราไม่ทำร้ายนะตั้งใจสำรวมอินทรีสังวรในปาฏิโมกเห็นไหมไปที่ไม่ให้คุยกั น, นมันอยู่ในปาฏิโมกนะรู้ปะ่ะที่เวลากินข้าวออกไปหรือว่าปล่อยไปเข้ากุฏิ อยู่ในศีลที่เราอินทรสองวร์อยู่ในปาติโมกขอยามบอกให้รู้แต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าอะไรแต่บอกรู้เฮ้อยอันนี้อย่าทำอย่าทำนะเว้นหน่อเว้นหนเว้นไหน่อยเพราะนี่ยมคืออุดมการของชาวพุทธกูนแต่น้อยกินน้อยนอนน้อยแต่ ปฏิบัติรู้สึกตัวเยอะๆเจริญสติเยอะ ๆ, ๆมันก็เป็นไปตามหลักการอุดมการนี่แหละเราไปทิ้งทิ้งสิส่วนมันมีในหนังสือมันก็มามีในตัวเราปฏิบัติตามไปเลยตรงนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์รู้จักไหมศักดิ์สิทธิ์มันจะมีศักดิ์ศรี มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกมากมายเรือ่องที่มันทําให้เราจิตสูงขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ไหลาตามไปสู่ความเสื่อมหักกลับตลอดไม่ไหลาตามกระแส <c oughs> เดี๋ยวเรานิทานสบายๆฟังสักเรื่องดีว่าไอเดียวไหลาตามกระแสจะขยายความเป็นนิทานเรื่องนะี้ มีช้างเนา่าช้างมันตายแล้วมันเนานะ่าขาชี้โดชี้เดตัวเอือจอยเงี้ยครานี้อีกามกินไส่เนา่าเจาะของเน่าอีกาชวนเงินเจาะทวันหนักเข้าไปกินทีละตัวสองตัว เกิดฝนตกหนักน้ำไหลซากช้างก็ไหลลงไหลลงไหลลงไหลลงไหลลงไห่มหาสมุทรอีกากระเพิดพลนอยู่ข้างในไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมีภัยจนโนละไกลใช้กวางรู้สึกตัวทิงซากช้างกำลังจะจมน้ำพากันบินออกมา พอออกมาทางนั้นนะตรงนี้ตรงไหนกันนะกินเพลินไปเลยพอถอนตัววมาเอ้าแข้งกว้างมนุษย์ในโลกเนี่ยหลายคนก็กำลังเป็นอย่างเงี้ยไหลไปตามกระแสเชื่อไหมที่พูดอย่างเงี้ยเชื่อไหมหลงการหลงกินหลงเกลียดหล ง, ล ง, ลงเงินหลงทรัพย์หลงยนต์บางทีนะ่ย ทำบ้านอย่างดีเลยมีห้องกระจกกันกระสุนด้วยนะกลัวภัยป้องกันภัยซะจนมีทรัพย์เยอะไม่แบ่งปันให้ใครขาดผลประโยชน์ได้มาโดยไม่ชอบมีกอกันกระสุนทำํำกงฝาอย่างดีไว้เก็บเงินสดท้ายสุดเอาปืนมายิงหัวตัวเองตายตัวเองฆ่ า, าตัวเองตาย คนอื่นก็ไม่ได้ข่าสักหน่อยไม่ก็ทั้งบวชเนอะเคยเห็นเลอยู่ ใ, นในกล้ๆกันที่จังหวัดระยองตระกูลนักการมุงดังที่ปรึกษาของพระปชาทิปัติโกกปรากฏว่าลูกเนี่ยบวชพระหลานน่ยบวชพร ะ, ะหลานบวชพระเสร็จ เอามีดโกนผมนนะมีดโกนผมปงผมผ ม, มาเชือดคอตัวเองตายอยู่ในห้องน้ำมันก็เลยว่าโอ้มันไหลไปทางกระแสความคิดถึงขั้นที่มันทำลายตัวเองก็ไนดะ้นะตอนนั้นวันนี้เราเห็นความคิดเยอะไหมเวลาไปรัทธรรมเยอะไหมรู้ทันเยอะไหมปลอดภัยเนาะน่ยคือการชำระจิตนะมีสติปัะฐาน มีสินสมาธิปัญญารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยแหละอารมณ์ปฏิบัติมันมีความหนักความเบามันมีมันก็ไม่เป็นไรว่าหลังๆชำระอยู่เจอหนักก็ไม่เป็นไรเจอเบาไม่เป็นไรชีวิตของเราอายุ ป, ปุนนี้มันเห็นแบบนี้ก็โหเป็นบุญเป็นบาปสนะแล้วเป็นนิมิตหมาย ที่จะบอกถึงเวลาที่เหลือมันจะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมไม่ไหลไปตามกระแสแล้วมันจะบินออกมาทันด้วยถ้าเป็นอีกามันจโครที่เปรียบเทียบมันยังไม่ได้ไปไหนไกลมันยังพอที่จะกลับมาได้ถ้าถึงขั้นเสียศูนย์โล ก, กจิตโลกศาสตร์มันกลับมายากวันนี้ไม่เป็นไรแต่วันหน้ามไม่แน่ อาจจะเดินอยู่ข้างถนนตรงที่ใดที่หนึ่งก็ไดนะเดินยิ้มตรงนี้ก็มีนะวันที่ขับรถเข้ามากันเนะี่ยมันมีถือไม้ถือมีดเลยนะเบี่ยงไปเบี่ยงมาข้างถนนนะใกลๆตรงนี้จะถึงป้อมยามกลางค่ากลางคืนก็ไม่นอนหมู่บ้านนี้ก็มีบางทีหนาวหนาวเนี่ยมันร้องโอ้ย ฮอนดังเลยได้ยินมาถึงที่เนี่ยนักบวชถามว่าเสียงไก่เสียงไก่มันหนาวอันมันก็ร้องเสื้อผ้ามันก็ไม่ใส่นั่นแหมันไปแบบไกลเกินไปกูไม่กลับขางเรายังกลับมาได้ไ้มวันเนี้กลับมาได้ไหมกลับมาสัมผัสรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมาทันอยู่นั่นะมันก็จึงเป็นอารมณ์ปฏิบัติของเรา จิตก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเราสัมผัสได้เองจิตที่มันมีสตินะมันจะเป็นจิตรู้ตื่นจิตรู้ตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วตื่นรู้แล้วตื่นแต่บางทีก็มีอารมณ์ที่แรงแต่บางคนก็อาจจะตื่นรู้แล้วจิตจะหมอแกการงานที่บอกไว้เมื่อวานเย็นนะ่ะ จะเป็นจิตที่มันสบายๆผ่อนคลายเวลามีสตินะมันจะรู้สึกว่าอืมเย็นๆนิ่งๆนิ่ๆนมๆมันจะทำให้หลงง่ายเหมือนกันอารมณ์แบบเนี้ยบางทีมันอาจจะคึกคักขึ้นมามันอาจจะตื่นตัวตื่นเต้น ภาษาตรงนี้หลวงพอ่อท่านใช้คาว่าหลวงพอ่อเขียนนะหมาหลุดโซ่หมาหลุดโซ่มันไม่เคยเจอมันก็คึกคักคึกขนองขึ้นมาเลยจิตไม่ค่อยมีกำลังพอมันรู้สึกมีเจ้าของน่มันคึกคักเลยเอาไม่อยู่เหมือนกันนะอารมณ์ตรงนี้สำหรับบางคน เคยเห็นไหมสุนัขเวลาเราจูงออกจากบ้านไปหรือเวลาเราเดินบินาบไปแพร่เนี่ยนะมีหมาในวัดสุนัขในวัดตามไปด้วยเวลามันเจอกับเจ้าถิ่นเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับพระหน่อยแล้วมันจะเห่าคู่ต่อสู้มีแรงขึ้นมาเลยเคยเห็นไหมเวลาจูงหมาคนเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนะัขเห็นไหมเห่ากันโชว์เขาอย่างนั้นนะลองปล่อยมันไปไปกัดดี มันไม่ไปหรอกเหมือนกันนั่นแหละปฏิบัติธรรมยิมแย่ลมแบบเนี้ยมันเหมือนกับมีพักมีพวกเวลาเรามีภัยอะแล้วมีคนมาอยู่ ใ, ใกล้เราช่วยเราเราจะรู้สึกมีกําลังต่อสู้กันมาเลยนี่อารมณ์แบบนั้นเกิดในกรรมฐานด้วยนเราก็สังเกตเอา ทีนี้เมื่อเราผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปเกิดซ้ำๆเกิดซ้ำๆเกิดซ้ำๆแล้วก็ไม่สนใจใส่ใจให้ค่า mm hmm. เพียงแค่อาการ mm hmm. มองเป็นเพียงแค่กิริยาอาการ mm hmm. ถ้าจิตมันพูดได้แบบนี้นะมันมีความสุขแสดงมันไปขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะเบาไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกว่าภาลัาที่หนักอึ้งทาดขัน ตาสีขันห้าเนะี่ยมันรู้สึ ก, กถูกรู้ทท่ารู้ทันได้มาขึ้นผ่านได้มากขึ้นไปว่นได้มากขึ้นจะสบายเนื้อสบายตัวสบาย อ, อกสบายใจมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกตัวฝึกไปฝึกไปฝึกไปนะอารมณ์จะเป็นแบบนี้มันก็เลยอืมดีลำบันระวัง มันจะไม่ใช่เป็นความลับววาระแวงนะมันจะเกิดความระมัดระวังขึ้นมาในการนัง่งในการเดินในการยืนในการนอนแล้วมันจะถนอมตัวเองด้วยเหมือนเวลาเราหาเงินนะ่มันจะไม่รีบแบกกระเป๋าให้คนดูนะถ้าคนมีสตนะิมันจะไม่อวดจะไม่โอ้อวดมันจะค่อยๆรู้ละ เราเริ่มมีสปายในยาสปายในเริ่มเรามั่นระวังถนอมตรงนี้มันก็จะเกิดความปลอดภัยขึ้นมาพยายามจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะถูกดูดเวลาอยู่กับคนไม่มีสติมันจะถูกดูดหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไปเดี๋ยวกลับมาเริ่มกันใหม่อ า, ยาจะได้ลมแบบเดิมอีทุกทีใช้เวลาอีกหลายวัน หลวงพ่อเคยพูดถึงว่าเวลาในปะฏิบธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจทําไม่ค่อยได้ระมั่ระวงังหลวงพ่อทําชั่วโมงนะทำชั่วโม ง, โมงสองชั่วโมงนะโ ย, ยมทําเป็นเจ็ดวันสิบวันวนะ่ะไม่เหมือนกันหรอกคุณภาพของสติบางคนก็ทําแบบปลอกปอกแป๊กปลอกปอกแป๊กปลอกปอกแป๊กไปไม่ได้ใส่ใจเลย ยกแต่ละขณะแตละหน้านะเพราะฉะนั้นอยากรู้ให้ชัดต้องรู้เบาเบารู้เบาเบพอรู้เบาเนะมันจะชัดเจนดิตัวรู้นะกระทบแรงแรงก็ไดนะ้ตัวรู้รู้เบาเบมันจะเป็นคุณภาพ <c oughs> นะถ้าทําแล้วไม่รู้อย่าทำมันจะติดนิสัยมันจะดูด้านดูเลย ทำเหมนนั่นหมันออกกาลังกายแต่ว่าสภาพธรรมข้างในตัวสติตัวรู้ข้างในมันก็ยัง ช, ช้าเฉยมันยังไม่รู้แบบพุ่งแบบตรงปัจจุบันเพราะนั้นเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมามนก็ไม่ทัน ตัวเนี้ยก็ต้องค่อยๆใช้นะเวลาใช้ประสบการณ์สังเกตเดี๋ยวจะ ด, ดีไปเองเวลาอยู่กับธรรมชาติเนี่เป็นบธรรมชาติภายนอกเนี่ดีนะเวลาเปลี่ยนไปใบไมบางทีก็ไหวบางทีก็นิ่งบางทีก็มีคนเคลื่อนเดินผ่านไปผ่านมาศากษาลาสิ่งมันช่วย สอบอารมณ์ภายในจิตใจของเราช่วยทําให้จิตใจของเราเมันชัดเจนเรื่องความรู้สึกตัวความเป็นปกติเราสังเกตได้ถึงความนิ่งและมีพลังจะรู้สึกแบบนั้นนะมันนิ่งแต่มีพลังแต่รู้เมื่อก่อนจะล็อกแกลกล็อกแเมื่อ่อนมีพลังฮะแล้วบางทีอาจจะมีรู้ด้วย จิตใจไม่มีคล้ายๆกัยานหรือเรียกว่าธรรมวิญญาต์ตัวธรรมาวิญญาตัวนี้สอดส่องธรรมนั่นเหมือนกับมองซ้ายมองขวาแล้วจิตไม่มีกําลังตาในไม่มีกําลังมองมาเห็นตัวมันเองมันจะหลุดหลงไมกับภายนอก ก, น ก, กับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงอะไรนะมาเลยบัต ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันก็ค่อยๆสัมผัสกับสภาพธรรมอาการของกายอาการของจิตใจเราก็ต้องสังเกตทุกๆอิริยาบถจะนั่งจะเดนะินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายตรงไหนไม่รู้ที่มีสภาวะธรรมมารองแล้วทำให้เราได้เหมือนกับว่าปิงป๊งแวบปิ๊งแวบในสภาวะธรรมได้คำตอบ หมอบางคนเนี่าระวังตอนเข้าห้องน้ำเนะตอนเข้าห้องน้ำเดินไปจับสสยอยู่จับมือดึง่างทีเฮ้ยโอ้รูปน้ำเป็นแบบนี้นี่เองหรืออาจารย์โกวิทที่พระเจ้ า, าจา์ใจพูดถึงนั่นนะไปนั่งอยู่ในห้องน้ำเปน็นในอารมณ์ตัวเอง อยู่ในห้องน้ำกระพลิกมือ้ายพลิกมือขวาเป็นตัวสติกระดับไทายเราพออมเขียนก็มีสภาวะแก้วแตกตอนที่นั่งฉันข้าวอยูนะ่หลังจากที่ไปบัตมาสองปีกับ8เดือนนะ่ะขั้นตอนสุดท้ายของท่านนั้นบอกว่าตอนที่ท่านนั่งฉันข้าวอยู่มันเกิดสภาวะรำขึ้นมาขันห้า ก็หมายถึงรูปขันใช่ไหมสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามันเคยรวมตัวตัวชีวิตของเรารวมกันนิ้วห้านิ้วนักกรรมเป็นตัวตนขึ้นมาบัดนี้มันคืนสู่ธรรมชาติแต่ละตัวมเป็นธรรมชาติหลวงพ่อเห็นสภาวะาวี่มนมันแตกออกขันห่าแตกออกเกิดความเกิดความปล่อยวางกันมาในขณะนั้น เบาเนื้อเบาตัวหมดเนื้อหมดตัวเลยหลวงพ่อเทียนก็นสังเกตได้เป็นอะไรก็เดินมาถามก็บอกผมมีความรู้สึกหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกอาลัยเสียดายที่จะไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะพทธาำนี้มันอาลัยเคยใช้มาทั้งชีวิตธบัตรนี้มันเป็นความบริสุทธิ์ซะแล้วมันไม่กรรม มันแบทั้งหมดคืนสู่ธรรมชาติสภาว่ น, นี้หลงพ่อเรียกว่าแก้วแตกแก้วแตกต่อกันไม่ติดใช้ไม่ได้แล้วเ้าใช้ได้ก็เป็นสุขเป็นทุกข์ใช้ไม่ได้แล้วต่างคนต่างอยู่มันจะปรากฏตอนใดตอนหนึ่งขึ้นไาอีกรุ่งมราก็มาไหลที่เซนหลุยเป็นพระเกต A กับประเทศไทยพระธรรมทูตเปี่ยนก้าประโยค อายที่จะยกมือ14บ่ยังไงแต่ท้ายสุดลูกศิษย์ปฏิบัติแล้วมันดีวันดีคืนสารลูปเปลี่ยนไปกริยาอาการสัมนัสสารลรูปเปลี่ยนไปคําพูดคําจา ก, ก็เปลี่ยนไปเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สหายธรรมหรือว่าลูกศรริษย์ลูกรรหาหรือว่ากิริยา ม, มิตรเ ร, รือเรียกอะไรก็แล้วแต่ เปลี่ยนเก้ากับเปลี่ยนหชื่อมหาสมใจกลับมาเมืองไทยเสร็จหลวงพ่อมหาไ ห, หลเกามั่งจะยกอย่างนี้ข้างนอกก็อายคนเป็นเปลี่ยนเก้าโยคนั่งสมาธิเท่ๆมาหลายปีสอนคนตัวเองก็อายก็ไปนั่งในห้องน้ำเหมือนกันยกมือ14ีจังหวัในห้องน้ำหนุนท้ายสุดเห็นอารมณ์โกรธของตัวเอง จังนั้นหลวงพ่อเขาเขียนไปประเดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อมหาไหลก็ตามมาอยู่ที่นี่แล้ววัดป่าสุกโตเลยแล้วตั้งแต่นั้นไม่เคยกลับไปอีกเลยไม่เป็นพระธรรมทูตพระอะไรแล้วเป็นพระธรรมดาธรรมด า, รรมดาแต่นี้ยศฐามดาวสาวเป็นเจ้าคุณหมดแล้ ว, ลวมันก็เลยไม่ต้องมาคิดอะไรมากพระท่านก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาปฏิบัติธรรมกันมา ทั้งพระทั้งโยมก็เหมือนๆกันไม่ได้แตกต่างกันตรงไหนเลยอย่างเช่นโยมกลัวตุ๊กแกไหมโยมกลัวมั้ยตุ๊กแกและคิดว่าเปลี่ยนเก้าจะกลัวตุ๊กแกไหมโยมคิดว่าเปลี่ยนเก้าประโยครับกลัวตุ๊กแกเป่ะกลัวประโยชน์กุฏิเจ็ดตรงนี้กลัวจ้างคนมาจับตุ๊กแกช่วยหน่อยช่วยหน่อยเปลี่ยนเก้ากลัวเป็นเหมือนกัน เรากลัวยังไงพระเปลี่ยนก้าวกลัวงั้นลนะ่ะเปลี่ยนก้าวโกรธยังไงเราก็กอดเหมือนกันใช่ไหมนันเหมือนกันสภาวะตรงเนี้ยตอนก่อนปฏิบัติแต่หลังจากปฏิบัติแล้วไม่เหมือนเดิมกลายเป็นคนนิ่งๆเย็นๆพูดกน้อยนะเนีย่ยเดี๋ยวอีกวันสองวันสงสยัยอาจารย์สมใจต้องเฝ้าคอร์สนะมีนิ ม, มนต์ตรงกันมี ผมเลต ม, มารูปนึ่งหลวงพ่อมหาไหลรูปนึ่งหลวงพ่อสมายรูปนึงอาจารย์แนกรูบหนึ่งชญะะะะะาสโลอีกรูปหนึ่งไปงานเดียวกันฮนะก็บอกมันตรงกับคอรตรงกับคอสเบอกไว้เป็นไรแล้วก็ตรงก็มาได้เขาบมงค้ากันไปเป็นอีกงานหนึ่งนี่ต้องไปเจอกันไปเข้าไปด น, นั้นลักษณะของการละชั่วทาดีจระจิต แล้วก็ท้ายสุดก็คือที่เราสวดกันทำพันธิพานให้แจ้งบุตรมการชาพวพุทธต้องมุดหมายอยู่นะพันธิพานนะทีวิถีเหลือเพราะฉะนั้นอสมส็จสมบัตเจ้าได้สอนพวกเราไว้ชัดนี่สปีสั่งสอนมากมายมีประสูตรมากมายเริ่มต้นในธรรมจักรว่าสูตรมีนันตกละสูตรมีมาหาติวิธานสูตรมีการมาสูตรมีมงคลสูตร มีสูตรมากมายแต่ท้ายสุดก่อนตายท่านสรุปไว้สั้นๆเมื่อกี้ปัจฉิมโอ ว, วัชท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะอภมาเทนะสัมปาเททะก็หมายถึงว่าสติปัฏฐานนะีน่หนทางเอกของท่านเดียวนะีนะ่ให้เดินทางอยู่ในหนทางของสติปัฏฐา น, นมีศีลสมาธิปัญญา มันเป็นลักษณะของชีวิตของเรามีเดินทางสู่หมดหมายหรือว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อดมการจชาวพุทธทําที่เราไม่เกิดความเม็หมายคือสติปัฏฐานนี่เราก็ได้ทําแล้ววันนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ทั้งชีวิตน่ะการฝึกสติฝึกทั้งชีวิตไม่ใช่7วันหวันอะไรหรอกจนก่อน ลมหายใจจะหมดจะหลับตาตายจากโลกนี้ไปก็ต้องฝึกสติปัฏฐานจนมันใช้ได้จริงๆเหมือนหลวงพ่อมาเขียนเหมือนกันถ้าเป็นคนใกล้ชิดของอาตมานะก็มีพ่อสองคนพ่ออีกคนก็ให้ร่างกายธาตุขันมาพ่ออีกคนก็ให้จิตวิญญาณสองคนนี้ตายคล้ายๆกันหลวงพ่อมาเขียนขอประกามาเขียนพวกเรา ขอให้หลวงพ่อตายก็หมาอให้ถึงว่าลูกศิษย์ลูกหาดูแลกันมาเนาะชีวิตของเราธาตุขันเราเป็นของเขาเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายพระก็หวงใหยหมอหวงใยดูแลกันลูกศิษย์ลูกหาก่อนตายท่านก็กลัวลูกศิษย์เสียใจก็ต้องไปลา ม, มาบอกกันเอาปภิกามาพูดไม่ได้ก็ปภิกามาเขียนพวกเราขอให้หลวงพ่อตาย เสร็จแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณโดยที่คนเขามีคุณธรรมไม่ถือสาหาความไม่อ้างตนเป็นอาจารย์ไม่ชี้คนอื่นเป็นลูกศิษย์คนก็มีคุณธรรมอยู่กับเราเราต้องตอบแทนเขาขอบคุณเขาผู้ชายยกมือไหว้ลูกศิษย์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ <c oughs> คนมีคุณธรรมก็ทํากันความอ่อนน้อมใครไหว้ก่อนก็ได้เปรียม ลูกศิษย์ก็ยกมือไหว้ทำเธอเดือได้ดา่ากันก็เป็นเรืองว่าหลวงพ่อจะตายจริงๆหลวงพ่อขอดูโลกครังท้ายด้ยวยกันไม่ได้ใส่แว่นตานะแล้วก็มองหลับตาตายมันก็น่าเป็นแบบอย่างของพวกเราทุกคนหรือพ่อผมรัตมาอุตส่าห์ไปอยู่ระยองเพื่อพ่อเพื่อแม่น่ละ ใหรับบิณฑบาตให้เขาเห็นผ้าเหลืองให้เขาเชื่อในพระนัตไตรพระวุฒิธรฒนพระสงฆ์ให้เขาเชื่อมรรคผลนิพพานมียิงชไปให้เขาเชื่อพอที่ไหนอาจจะเชื่อลูกไม่เหมือนพระเจ้าสุโธธนะได้พรอพ่ อ, พอมาด้วยเจอหน้าทําเสียงแหลมก่อนเลยเจอหน้าพระนะจะชิงเทศก่อนพระเฮ้ย มาอารมณ์เนี่ยนะอรมสำรองเนี่ยเฮ้ยท่านมีที่ทำไมไม่ดูหนึ่งดอกนะเ <c oughs> นี่ยพ่อไปดูแทนนะวิทยุหายรองเท้าบูทหายฉมวกหายฉมวกเอาไว้แทงป่ากินเอามาย่างกินสบายใจแล้วเดี๋ยวกลับบ้าน พูดทะลึ่งไบเลี้ะไอ้นุ่ไ น, ไไ น, นไม่ดีไนอ้นันไม่ดีถนนไม่ดีนั่งรถไม่ั่งนี่เฉยๆดูถนนก็ถนนไม่ดีไปถึงอินเดียผ่านไปเทียอเดียโออินเดียนโอ้แม่สกกรปกพ่อพูดนะมองทางๆแต่ว่าพอไปถึงกุสินาราเนี่ยโอ้นั่งจ่อยเลยจุดที่พระเจ้าดับขันวันนี้ผานสลดาทางแก่โปรงๆอย่ หลงังจากนั้นกลับบ้านมาก็สุดลงสุดลงสุดลงตายเมื่อมิถุนาปีที่แล้วเนะี่ยแต่ว่าเวลาตายตายดีดีตายแบบโบกมือให้แม่บายบายดีไหมดีไหมคนจะตายโบกมือบายบายเมียตัวเองไง ซืซ้มีการงี้นี่นะนี่อาตมาตีความนะแต่หลายคนก็ตีงวดนี้ออกฮาสองก็ว่ามันถอดรหัสกันคนละแบบแล้วแกก็บอกวีสาวว่าหมดเวลาของพ่อแล้วหมดเวลาแล้วอานาฬิกาลงว่าแล้วแกก็ตายของแกไปไม่ได้กินส้มตำใบมะยมสั่งแม่เป็นมือสุดท้ายอยากกินส้มตำใบมะยม ตายเฉยๆดีไหมดีไหมพวกเราธรรมาก็บอกมันเป็นอันที่สองส่วนหนึ่งมาจากกันที่ธรรมาไปพระพ่อมาคนร้อนๆป่วยๆนะเวลาฝันเนี่ยฝันกระโดดลงเตียงเลยนอนตาหลับแต่ฝันร้ายอยู่ในใจตอนหลังหายไป เ, ยเวลาก็ให้เลือดเวลาก็ให้น้าเกลือกระโดดลงมันหลุดเลือดกระโชกเต็มเลยตามพื้อนฝันร้าย อันนี้หายไปแล้วก็ทํามโหโมแม่เนี่ยเอาตีนดีดเลยนะนอนเฝ้าไขนะ้ถ้าไม่สบายตัวเองไม่สบายถ้าไม่ถูกใจเนียตีนดีดเลยตีนดีดแม่โมโหไล่อยู่ตามอารมณ์แต่ตอนตายตายสงบมากเลยแล้วหลังจากที่ไปเห็นผ้าเหลืองใบๆเลยใบๆบางทีดึงผ้าเหลืองไปเลยลยอมตอนใจบานนะดึงผ้าเหลืองมาไปแล้วก็ไปโน้ ธรรมารให้พรในหลังๆมัจะเป็นยังไงเพราะนั้นแกก็แสดงออกถึงการยอมรับเวลาป่วยเวลาตายในท้ายสุดมว่าโอ้เชิญใจอยู่สองคนเนี่ยคล้ายๆกันมากนะตอนนี้ก็เหลือแม่คนหนก็เลยว่าพวกเราทุกคนนะต้องเริ่มทนตทิดตัวเองกันแล้วก็ แต่เห็นว่ามันดีจริงๆ น, นะคนที่ใกล้ตัวได้สัมผัสได้นอ น, อ น, นเนา ะ, ะมันก็จึงไปตรงกันก็ที่เราสวนมาสักครู่โอตวเจ้า ก, ก็ไม่ได้โกหกนะทุกคนคนตายใกล้ต า, ตายไม่ได้โกหกเราแสดงออกถึงสภาพจิตที่มีธรรมชาติอย่างไรก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นให้เราได้ประจักษ์ อะไได้เหมือนกับว่าไม่ประมาทกันผมเลยพย า, ายามใส่ใจเรื่องพวกนี้ยนอกจากที่จะให้ตัวเองได้มีการกระทําได้การสัมผัสกัได้พู ด, พดเล่าบอกต่อยกันพวกเราได้ยินได้ฟังกันแล้วก็พูดได้เท่าที่พูดได้จระกที่ ฟังไม่ได้บางทีก็ไม่ได้พูดให้ฟังก็ไปนิ่งๆหยุดๆเย็ยนๆอยู่ ใ, ใกล้ๆให้ได้สัมผัสกันต่อไปนะอะไรทนะี่ราพูดมาสมควรแก่เวลาพวกเรา